นะโมตัสสะภวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกนเตอิอีณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย ซึ่งมาขนขวายบำเพ็ญกุศลเพื่อให้เป็นทุนประจำตนในวันธรรมสวรรค น, นี้ซึ่งความจริงญาติโยมทั้งหลายก็มีจิตคิดขนขวายในการทำดีกันอยู่แล้วอยู่ที่บ้านญาติโยมก็ทำดีมาที่วัดนี้ญาติโยมก็ทำดี จะไปที่ไหนก็ทำดีแต่สำหรับวันพระนั้นถือว่าเป็นวันพิเศษท่านต้องหลายก็ต้องทำดีเป็นพิเศษเหมือนกันทำดีเป็นพิเศษั้นทําอย่างไรก็คือทำดีให้ครบทั้งไตรทวารไตรทวารก็แปลว่าทั้งสามทาง หนึ่งทางกายสองทางวาจาสามทางใจดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ถึงวันพระจะต้องประคองจิตไม่คิดชั่วไม่พูดมั่วมุสาเสียราศีจะทำการใดๆทำให้ดีทำอย่างนี้ทั้งวันนะท่านเอ่ย หมายความว่ายังไงละโยมคือท่านบอกว่าเมื่อวันพระมาถึงหรือว่าถ้าเรารู้วันนี้เป็นวันพระเราจะต้องประคองจิตอย่าคิดชั่วกันอย่าพูดมั่วมุสาเสียราศีเมื่อจะทำการใดๆทำให้ดีเนี่ยก็รวมความว่าคิด ก็ไม่คิดชั่วพูดก็ไม่พูดชั่วทําก็ไม่ทำชั่วถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระท่านประคับประคองกายวาจาใจของเราเนี่ยอย่าให้พลาดพลั้งไปทำความชั่วให้ได้ถ้าท่านทั้งหลายทำอย่างนี้เรียกกันว่าเป็นการทำดีพิเศษในวันพระ เพราะคำว่าพระนั่นแปลว่าประเสริฐประเสริฐอย่างไรประเสริฐที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้แต่ว่าความประเสริฐที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้นั้นมันจะต้องประเสริฐถึงที่สุดแล้วเราก็จะหลุดจากความทุกข์ทั้งปวงแต่ที่เรายังไม่พ้นจากความทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่ายังไปไม่ถึงความประเสริฐถึงที่สุด ก้าวไปไม่ถึงจุดนั้นฉะนั้นเราก็พ้นทุกข์กันไม่ได้เมื่ อ, อยังพ้นทุกข์กันไม่ได้จะทำอย่างไรต่อไปและญาติโยมเราก็ต้องมีการศึกษาพัฒนาคือประพฤติปฏิบัติกันไปอย่างนี้แหละจนกว่าเราจะถึงความประเสริฐถึงที่สุดหรือว่าก้าวถึงความประเสริฐที่สุด ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้โดยเหตุนี้จึงต้องมีการเทศนาก็แปลว่าชี้แจงเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้สะดับรับฟังจะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วไม่ปล่อยใจไม่เผยใจไปทำอะไรที่ไม่ดีเข้าให้ เพราะถ้าเกิดเราฟังธรรมะเป็นประจำทุกวันพระเนี่ยเราก็จะมีสติแก่กล้าขึ้นสตินี้จะป้องกันไม่ให้เราทั้งหลายไปพลาดท่าเสียทีแก่กิเลสเมื่อกิเลสเนี่ยมันครอบงำจิตใจของเราไม่ได้เราก็ไม่เผลอไผลไปทำความชั่วนี่มันได้ประโยชน์อย่างนี้ อันญาติโจมจงตั้งใจฟังพอมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะต้องตั้งใจที่จะทำตามธรรมะแต่ละข้อนั้นด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าเราติดแค่ธรรมะฟังเราไม่ตั้งใจไปสู่ธรรมะปฏิบัติเราก็ได้แค่ฟังเฉยเฉย เหมือนกับหมอแนะนำคนป่วยว่าอย่านอนดึกอย่าทานอาหารที่เป็นของมันอย่าทานอาหารที่เค็มจัดรสจัดหมอเขาเทศสอนคนป่วยแต่คนป่วยนั้นฟังก็จริงแต่ไม่นำมาปฏิบัติ ก็คงป่วยต่อไปคงป่วยต่อไปไม่มีวันหายป่วยอะไรทำนองนี้แหละอัน ญ, ญาติโยมก็ต้องตั้งใจฟังการฟังธรรมะนั้นทำให้เกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ปัญญานี่ก็เป็นองค์หนึ่งของไตรสิขาสามารถกาจัดปัดเป่าเรื่องที่ไม่ดีได้ ถ้าจะว่าให้ตรงก็คือปัญญาเนี่ยสามารถกำจัด ก, กิเลสได้แต่ว่าจะกำจัด ก, กิเลสได้ต่อเมื่อเราต้องลงมือทำนะฟังเฉยเฉยยังกำจัด ก, กิเลสไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องก้าวที่สองก้าวที่สองคือทำอย่างไรก็คือญาติโยมว่าต้องตั้งใจว่าจะทำอะไรบ้างในวันพระนี้ อย่างในน้อยตั้งใจฟังธรรมเนี่ยแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติอันี้ถือว่าเป็นก้าวที่สองความตั้งใจตัวนี้เป็นอะไรเป็นศินศินแปลว่าความตั้งใจเจตนาหังพิเคเวสีหลังวทามิดูกราพิสูทั้งหลายเราเรียกเจตนาคือความตั้งใจว่าเป็นศิน ถ้าคุณโยมตั้งใจก็ได้สองข้อแล้วปัญญาได้แล้วศีลได้แล้วทีนี้เมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่ทําปุ๊บแล้วมันได้ผลปับ๊บเหมือนกับการเรียนหนังสือเนี่ยเดินไปถึงโรงเรียนเข้าห้องเรียนไม่ใช่ว่าเด็กผู้นั้นนะฮะพอออกจากห้องในเย็นวันนั้นแล้วเด็กรู้เรื่องไปทั้งหมดไม่ใช่ ถ้าหาว่าเข้าโรงเรียนวันเดียวแล้วก็รู้เรื่องไปทั้งหมดก็คงไม่มีนักเรียนเดินผ่านวัดไปอยู่โลวงทุกวันแต่ว่ายังไม่มีความรู้รวดเร็วขนาดนั้นในขณะที่กำลังอบรมบ่มเพราะนั้นต้องใช้อะไรต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความขยัน ต้องใช้ความหนักแน่นอันว่าอดทนขยันหนักแน่นนี้เป็นอะไรเลยโยมเป็นสมาธิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าศินสมาธิปัญญานั่นแหละเวลาเราปฏิบัติลงไปจริงๆเราต้องเรียนกันใหม่เป็นปัญญาเป็นศินเป็นสมาธิเอายกตัวอย่างคุณโยมเดินทางจากบ้านมาวัดปยุรวงเนี่ย คุณโยมต้องมีปัญญานำหน้าใช่ไหมละ่ะต้องรู้ว่าวัดประยูรวงอยู่ตรงไหนถ้าคุณโยมรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่จริงก็จะไปประยูนหนึ่งนู่นอยู่ที่ลังสิ์นู่นแหละโยมมาใส่บาตรที่วัดที่วัดเราเนี่มีการตักบาตรเนี่ยเป็นประจานะทุกวันนะที่ทีสองของเดือนเดือนหน้าก็ตรงกับวันที่สิบ แต่ปรากฏว่าโยมเองเข้าใจว่าเป็นวัดประยูนธรรมมารามเอาสำรับกับข้าวใส่ไทยรถบึงไปจนถึงนู้นวัดประยูนธรรมมารามเนี่พอไปถึงวัดพระก็งงใหญ่เลยเอยโยมมาทําไมกันเนี่ยแล้วไม่ใช่ไปคนเดียวโยมไปห้าคนนะ่ะรถห้าคันเพราะบ้านเขาอยู่ใกล้ๆ ก, กัน อย่างนี้ก็รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ผิดคือรู้ไม่ถูกเหมือนกับญาติโยมฟังธรรมก็เหมือนกันเนะี่ยไม่ใช่ว่าฟังไม่รู้นะที่อาตมาเทศน์นี่ก็เป็นภาษาไทยแต่บางทีเนี่คุณโยมก็รู้ผิดดังที่ในวงการของพระท่านเล่ากันไว้ท่านไปเทศให้โยมฟังโยมก็ฟังไม่ถ น, นัด อาจจะเป็นเพราะง่วงเหงาห้องนอนบ้างอาจจะเป็นเพราะใจลอยบ้างหรือบางทีเพราะอารมณ์เสียบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแต่และอย่างมันกิเลสมันมาตัดความดีของโยมโยมก็เลยฟังไม่ได้สับแล้วไหนที่สุดเป็นยังไงกลับไปบ้านมีใครต่อใครถามว่าวันนี้ไปวัดแกไปฟังเรื่องอะไรความจริงพระท่านบอกว่า วันนี้เราเทศเรื่องพญาช้างฉัดทันกันเถอะแต่เพราะเหตุที่ว่าฟังไม่ชัดฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปโพนทนาต่อแ ก, กก็บอกว่าแหมวันนี้ไปฟังพระเทศเรื่องดุดันดุเดือดเหลือเกินเทศเรื่องช้างกัดกันว่างั้นนี่ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าฟังผิดอย่างนี้ปัญญาเพี้ยนโยูปัญญาเพี้ยน แล้วในที่สุดก็นําไปประชาสัมพันธ์ต่อเล่าต่อฉนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญโยมพยายามจับใจความในดีๆนอกจากจะเป็นวันพระแล้ววันนี้ในอดีตที่ผ่านมา410ปีเป็นวันสเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรมหาราชนี้เป็นกษัตริย์ กรุงศรีอยุธยาท่านมีชื่อเต็มว่าสมเด็จพระศรีสันเพชรที่สองเกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าบิณ์ดินพระองค์นี้น่าศึกษามากทำไมจึงน่าศึกษาละโยมเพราะพระชนมายุของพระองค์นั้นไม่มากนักในวันที่ท่านสวรรคตกแค่ห้าสิบ พระพันศาห้าสิบปีท่านนั้นเองทรงครองราชอยู่สิบห้าปีที่ว่าน่าศึกษานั่นก็คือว่าพราะองค์เนี่ยทรงมีชีวิตเพื่อแผ่นดินสยามจริงๆโยมนึกดูแล้วกันว่าพม่าก็มาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วเราก็แพ้เขาครั้งแรก พอเราแพ่เข่าแล้วนี่นะฮะ้าโ อ, อคนสาคัญสาคัญไปเป็นตัวประกันหมดในจำนวนคนที่เอาไปเป็นตัวประกันนั้นมีสมเด็จพระนเรสวนด้วยในตอนนั้นประชนมายุก็ยังไม่มากอะเราไม่ได้เอาไปแต่พระองค์เท่านั้นนะเอาพี่สาวของพระองค์ไปอีกนู่นนะ่ะเอาไปกักตัวไว้ที่ประเทศพมา่านนะยแต่พระองค์เองเนี่ย ไม่ยอมจำน้นต่อชะตาชีวิตพระองค์ทรงมีอุสาหาพยายามศึกษาภาษาพม่าจนแตกฉานนอกจากจะศึกษาภาษาพม่าแล้วพม่าเขามีอะไรดีเนี่ยพระองค์ศึกษาหมดเลยนอกจากจะศึกษายังไม่ใช่ศึกษาธรรมดาเนยพระองค์ต้องการเป็นในเรื่องนั้นๆด้วยวิชาทหารพรม่าเขาเก่งการในตอนนั้น พระองค์ก็ไปแอบศึกษาวิชาทหารวิชาอาคมที่ในสังคมพม่าเนี่ยนะฮะเขาถือว่าดีเลิศคืออะไรพระนเรสวนเนี่ยพระองค์ทรงศึกษาหมดเลยไม่ประมาทพอได้โอกาสพระองค์ก็ทรงขอตัวกลับมาประเทศสยามเรากรุงศรีอยุธยาสมัยโน้นแล้วต่อมาพระองค์ก็เสด็จขึ้นครองราษ หลังจากสมเด็จพระบิดาก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระองค์สวรรคตพระนเรสวนก็เสด็จขึ้นคลองราชแทนขึ้นคลองราชเมื่อวันที่ยี่สิบเกากรกฎาคมสองพันหนึ่ง้สาสิบสามจากนั้นมาอีสิบห้าปีโยมตรงกับวันที่ยี่สิบห้าในเมษายน 2,148 มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยวันเกิดก็มีเลขแปดเกี่ยวข้องวันตายก็มีเลขแปดเกี่ยวข้องว่างั้นเหรวันเกิดมีเรียกเปียดเลขแปดเกี่ยวข้องอย่างไรล่ะโยมพระองค์เกิดเนี่ยเมื่อพศออ .2,98 เนี่ย สองพัน้าสิบปดตรงกับวันที่ยี่สิบเก้า ก, กรกฎาคมแต่วันที่ท่านสิ้นพระชนนั้นพศสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเกิดก็ลงท้ายด้วยแปดตายก็ลงท้ายด้วยแปดเขาบอกว่าเป็นตัวเลขประจำพระองค์แล้วปรากรรณคโหราจารย์ได้ผูกดวงพระตาว่า ในพระตาของพระองค์นั้นนะมีดาวแปดเนี่ยเป็นมนตรีซะด้วยแสดงว่าพระองค์ทรงคิดทำการใหญ่ตลอดชีวิตในวันที่พระองค์จะสินพระชนนั้นนะตามประวัติศาสตร์เขาเล่าว่าพระองค์ทรงยกกองทัพต้องการจะไปตีเมืองอัมวะคือประเทศพมา่า ทำไมจึงไปตีเมืองอังวะโยงก็เพราะตอนนั้นพระเจ้าอังวะนี่กำ เ, กเริบเสิบสารได้แผ่อานาจเนี่ยมาตีรัดฉานมาตีไทยใหญ่ไว้ในปกครองซึ่งแต่เดิมเป็นของเราพระนเรศวรก็มองการไกลว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปยับยั้งอํานาจของพระเจ้าอังวะในที่สุดพระเจ้าอังวะใครต้องมาตีเอาเมืองเชียงใหม่แล้วโยองคิดว่าพระองค์ทรงมองถูกไหมล่ะ หลังจากนั้นอีกไม่นานนะฮะกองทัพเข้ามาก็มาครอบครองเมืองเชียงใหม่ยนได้ครอบครองอยู่เป็นร้อยร้อยปีเนี่ยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราทั้งหลายควรจะลำลึกนึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่งทรงกรอบคู่ชาติกรอบคู่แผ่นดินด้วยความเสียสละด้วยความด้วยพระไทยที่มีกรุณาต่อประชาชน ไม่ต้องการจะตกเป็นเมืองขึ้นของพ่อม่ไม่ต้องการจะเป็นทาสของเมืองอื่นการที่พระนเรศวรเนี่ยทรงประกอบกัมดีตลอดชีวิตบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความเสียสละนั้นเนี่ยถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็เรียกกันว่าท่านทาดี พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปัง น, นี่เป็นเรื่องของกรรมนะโยมนะซึ่งแปลว่าคนทำดีได้ดีคนทำชั่วได้ชั่วอั ญ, ญาติโยมเองขณะนี้ก็กำลังทำกรรมกันอยู่แต่คุณโยมจะทำกรรมแบบไหนนี่สิมันขึ้นอยู่ที่ว่าโยมรู้ตัวหรือไม่ การที่เราจะรู้ว่าเราทำกรรมแบบไหนนี่ไม่ได้มองกันข้างนอกเพราะว่ากรรมนี่มันเกิดจากข้างในก่อนญาติโยมเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในโลกของเราเนี่ยเช่นเรื่องไร้ายๆที่มีการวางระเบิดตูม้มตายทีเดียวน่เป็นร้อยๆ้ยศพ นั่นก็เป็นเรื่องของกรรมนโยมนะแต่ว่าญาติโยมอย่าไปมองว่าผู้ที่ตายนั้นเขาเสวยผลกรรมคือต้องการให้ญาติโยมได้รู้ว่าที่มันเกิดเรื่องทานองนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทีนี้จะถามต่อไปอีกว่าล็อกกรรมมันเกิดจากอะไรหละที่ต้องไปทำกันแบบนั้นเนี่ยอะไรจะเป็นตัวให้ไปทำในตรงนิยมนะน่าคิดเลยทีเดียว คำว่ากรรมนี้มันหมายถึงการกระทำถ้าหากว่าทำไม่ดีมันก็มีเหตุให้ทำเหตุที่ให้คนทำกรรมไม่ดีเขาเรียกกันว่าอะไรเขาเรียกกันว่าอาคุศลละเหตุหรืออาคุศลละมูลอากุศลละมูลมีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะสามตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้ว และที่คนเราทํากรรมดีกันเพราะอะไรเพราะกุศลและเหตุเหมือนกันหรือกุศ ล, ลมูลมีอะไรบ้างล่ะอโลภะอโทสะอโมหะนี่สามอย่างนิยมจําไว้นะอากุศลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุให้เกิดคือโลภะโทสะโมหะ กุศลก็มีเหตุให้เกิดคืออะโลภะอโทสะโมหะแล้วคุณยมเราลองคิดถามต่อไปว่าเอ๊ะละโลภะโทสะโมหะมันเกิดมาอย่างไงเนี่ยเอาสิมันจะเข้าทางไหนเนี่ยมันเข้าทางประตูหรือเข้าทางหน้าตา่างหรือมันผ่านด่านไหนเข้ามาเนี่ยมันเหมือนขอทานชาวเขเมรหรือเปล่าผ่านวัฒนธมอลาเนี่ย้ายปาจีนบุรีอะ อลันยประเทศเนี่ยหรือว่าจะเป็นขอทานชาวโฮลิงย่ามันมาทางทางทิศตะวันตกเนี่ยเรายังพอรู้ทางมามันแล้วคุณโยมนึกดูที่ว่าแล้วโลภโกรธหลงมันมาทางไหนเพราะมันเป็นเหตุให้คนทํากรรมเนี่ยก่อนที่เราจะทากรรมดีหรือไม่ดีทางกายทางวาจานั้นกรรมมันเกิดขึ้นที่ไหนก่อนกรรมมันเกิดขึ้นที่ใจก่อน มันเป็นมโนกรรมไงแล้วมโนกรรมมันเกิดยังไงเละโยมก็คิดต่อไปอีกนิดนึงเอายกตัวอย่างว่าในขณะนี้ญาติโยมเนี่ยมองมาที่อาตมาหรือฟังอาตมาเทศมองมาก็ใช้ตามองฟังเทศก็ใช้หูฟังเนี่ย ในขณะที่ตามองเห็นอาตมาหรือว่าภาพของอาตมาเนี่ยไปถูกตาโยมก็ให้โยอมก็เห็นเหมือนกันเราเรียกกันว่ารูปต่อรูปกระทบกันตาก็เป็นรูปประขันแม้แต่รูปของอาตมาเนี่ยก็เป็นรูปประขันเป็นภาพเนี่ยฮะรูปประขันต่อรูปประขันกระทบกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่ง เกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวนี้ท่านเรียกว่าจักรสุวิญญาณเห็นไหมตากระทบรูปหรือรูปกระทบตาเกิดจักรสุวิญญาณคือรู้ขึ้นมาว่าอ๋อนี่รูปพระกาลังเทศนั่งอยู่นั่งเทศน์อยู่หันไปด้านข้างเพื่อนเรากำลังนั่งฟังเทศน์อยู่หันไปทีอ้อนี่เขาไม่ได้นั่งฟังเทศเขานั่งง่วงอยู่หันไปทีคนนั่งหลับอยู่โอ้นี่เห็นหมดใช่ไหมนี่เห็นหมด จักระสุวิญญาณเมื่อรูปกระทบกันตากระทบรูปหรือรูปกระทบตาเกิดผัสสะเกิดจักระสุวิญญาณขึ้นมาในขณะนั้นเขาเรียกว่าเกิดผัสสะผัสสะแล้วมันเกิดอะไรต่อไปโยมเกิดเวทนาหรือเวทนาในขณะผัสสะที่เกิดนี่แหละจะเกิดเวทนาสามอย่างเวทนาสามอย่าง หูของพระกระทบหูโยมหรือว่าหูโยมได้ยินเสียงของพระแล้วเกิดโสตะวิญญาณแล้วก็เกิดผัสสะเกิดผัสสะเสร็จแล้วก็เกิดเวทนาชอบหรือไม่ชอบมันจะมาแล้วตอนนี้ถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนา ถ้ายังรู้สึกว่ากั้มกึ่งนี่ยังตัดสินไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่เราชอบหรือไม่ชอบกันแน่นี่ก็เป็นอุทุกขมสุขเวทนาแล้วสุขเวทนาถ้าชอบมันเกิดอะไรระโยมมันก็เกิดอยากได้กลายเป็นโลภแล้วเห็นไหมโลภมันมาตรงนี้อา้าวถ้าเกิดว่าเป็นทุกขเวทนาก็คือว่าไม่อยากได้ฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากมองฉันไม่อยากฟัง ท่านจะคุณเทธทีไลและฉันเบื่อจริงๆเนี่ยอ้าวและกลายเป็นอะไรกลายเป็นโทสะแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้ายังเนี่ยกั้มกึ่งอยู่ไม่รู้มันจะเป็นชอบหรือไม่ชอบมันยังตัดสินไม่ได้มันยังคลุมเครืออยู่นี้ก็เป็นอะไรเป็นโมหะนี่ถ้าโลภโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดอย่างนี้แล้วญาติโยมยังเบรกมันไม่อยู่หยุดมันไม่อยู่ ยังปล่อยให้มันเนี่ยมีฤทธิต์ต่อไปในที่สุดมันก็จะออกมาทางปากแล้วทีนี้เอ๊วันนี้ดูถ้าท่านจะเทศนานใจมั่งเรากลับก่อนดีไหมเอาละสีนี้มาแล้วปรึกษาแล้วใช่ั้มมันออกมาแล้วนี่มันออกมาแล้วนะหรือบางทีไม่พูดเพราะพูดช้าไปลุกขึ้นออกไปเลยดีกว่านี่เห็นแลอยังว่าโยามในกรรมมันเกิดยังไง เห็นแล้วยังมันเกิดยังไงเอ้าบางทีนี่นะะไปเห็นพระเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆพระทำไมถึงมีจิตคิดไล่อะไรเลยแต่เนื่องจากว่าพอตาไปกระทบรูปพระแล้วเกิดผัสสะแล้วเกิดวิจักษสุวิญญาณแล้วเกิดผัสสะแล้วก็เกิดอะไรทุกขเวทนาคือไม่ชอบพระขึ้นมาผานหาเรื่องกับพระเอาดือด้อๆโยมอ่ะท่านเล่าไว้ในธรรมบทเนี่ย ปรากฏว่าพรานคนหนึ่งเนี่ยแต่เช้าจะเดินออกจากบ้านเพื่อเข้าป่าเนี่ยไปล่าเนื้ อ, อเผอิญว่าวันนั้นไปเจอพระทุดงแต่ว่าท่านทุดงโดดเดียวนะถ้าทุดงเป็นหมื่นหมื่นเส้นแสนองค์แบบวัดธรรมกายนี่ไปเล่นใกรไม่ได้หล้วเดี๋ยวโดนด้ามไอ้ปลดทุดงค์ก็ให้แหละแต่ไปนั่งอยู่องเดียวแล้วในที่สุดก็เลยคิดว่า วันนี้ดูท่าจะแย่ซะแล้วเราเนี่ยแต่เช้ามาเจอพระเขาให้นี่เอาเดินเข้าไปในป่าวันนั้นผิดหวังนีโยมไอที่เอาอะไรตะมีอะไรไปดักสัตว์ไว้เนี่ยสักสัตวตัวก็ยังไม่ติดเลยฮะโมโหใหญ่เลยนี่เพราะอะไรตั้งแต่เห็นพระครั้งแรกมันเกิดทุกขเวทนาคือไม่ชอบพระเกียดพระอ่ะ แล้วปรากฏว่ายิตาพานผู้นี้นก็มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกิดแค่พ่ออินเดียเท่านั้นมาเกิดในประเทศไทยอยู่ในสภาก็มีเจอพระไม่ได้เลยแทบจะกินเลือด ก, กินเนื้อเลยทีเดียวอ่าเมื่อวานจะมาไปฉันเพนบ้านท่านผู้ว่าหลงพ่อเจ้าวาด้าไปด้วยนั่งรถเข้าไปในบ้านเสร็จแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับ ก็ถามว่าโยมวันนี้ท่านพู้ว่าทําบุญหลังไหนเนี่ยพอข้างในมันหลายหลังเหลือเกินเนี่ยก็บอกว่าหลังในนู้นนะครับก็บอกว่าโยมพาไปหน่อยได้ไหมหลังในวันเขาว่าไงรู้ไหมถ้าท่านไม่รู้ท่านก็อดเพลินเอาไปแล้วกันดูสิอาตมาก็เลินผ่านเขาสัตเพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไปทุกเมือก็หันมองใหญ่เลยโอย้ตายแล้ว บอกว่านี่ไม่ได้แช่งเนะในใจแต่ว่าแผ่แผ่ส่วนกุศลให้อะไรใจจืดใจดำเหลือเกินนโอ้โหเดินผ่านสนิทถึงก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่หลังไหนแต่ก็เรียบร้อยดีทางท่านผู้ว่าท่าก็มาทักทายดีอะไรดีอืเอาตอนขากลับทุก่าจะหมดเวรกันแล้วมาเจอเจ้านั้นอีกแล้วบอกว่ายมไปวัดด้วยกันไหมอ่า ถามว่าท่านอยู่วัดไหนอยากรู้ไว้ทาไมอ่ะโยมไปเวลารถอาตมาว่างผมยังไม่ไปหรอกครับเข้าวัดทีไรรู้สึกว่าชะตาไม่ค่อยดีว่างไงนนะเอ้าบอกว่ายองคงเข้าใหม่สิไปกาตมาเนี่เพราะเตาว่างอยู่เผาที่นี้เต็มก็หมดซวยไปเองอ่ะก็เลยพูดกับเขาก็เห็นว่าพอรถอาตมาผ่านแล้วก็จดกทรถไว้ ถ้าเกิดว่างวดนี้ออกมาแลไอ้เจ้านี้ต้องมาหาแน่เลยซ่านนั้นคือเห็นพระแล้วก็ให้รู้สึกไม่ศรัทธาไม่รักไม่เมตตามันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเวทนามีอวิชชาครอบงำแต่อย่างบางคนนี่เขาเห็นพระแล้วก็เกิดศรัทธาเรื่มใสเนี่ย ผานผู้นี้ก็เหมือนกันเจอพระแล้วเนี่ยะมีอวิชชาครอบงำเวทนากขเรียกเวทนาโง่มีกิเลสครอบงำแล้วในที่สุดนั้นก็ส่งผลให้ก่อกรรมไม่ดีกับพระรูปนั้นแกเลี้ยงสุนัขไว้หลายสิบตัวก็เลยยุสุนัขให้กัดพระพระรีบปีนขึ้นต้นไม้เป็นการใหญ่เลยเนี่ยโยมวิชาปีนต้นไม้เนี่ยนะเราต้องอาศัยเนี่ยสิงสารสัตว์เหมือนกันนะ ญาติโยมในกรุงเทพปีนต้นไม้ไม่เคยได้ไหว้น้าไม่เคยได้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็โอ้ยไม่สามารถจเจ้าตัวรอดได้ถ้าปีนขึ้นต้นไม้อยังไม่พอนโยมนะเอาหอกทิ่มที่ฝ่าเท้าพระท่านย่อนขาฝ่าลงก็ทิ่มขาฝ่าเท้าฝ่าย่อนเท้าซ้ายลงก็ก็ทิ่มเท้าซ้ายจงก็ั้งพระท่านเจ็บปวด จีวรหลุดลุ่ยแล้วก็เลยตกลงมาเนะี่ยคุมล่างของนายพานสุนัขมันก็เลยคิดว่าโอ้ตอนนี้พระตกลงมาแล้วก็โก ด, ดเข้ากัดทันทีเลยกลายเป็นว่ากัดนายของมันเองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนี่เป็นตัวอย่างเห็นอะไรใจไม่เป็นสุขเป็นทุกขเวทนาพาให้เกิดทํากรรมที่ไม่ดีขึ้นมาด้วยความโกรธด้วยความชริงด้วยความชั่ง นั้นคุณโยมก็ต้องวัดอารมณ์ดูเองนะเรื่องทานองนี้เนี่ยใครช่วยใครไม่ได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนจริงๆเลยเอา้าวแต่ถ้าเกิดบางคนมีสติมีสัมปชัญญะในขณะที่ตาไปกระทบรูปเกิดความรู้สึกวูบขึ้นมาว่าเอ๊ะเราชักจะไม่ดีจะแล้วทำยังไงโบราณท่านจึงสอนให้ภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตา มันจะพาให้เกิดอารมณ์กลางกลางไม่ดีและไม่ชั่วสามคำนี่แหละที่พึ่งอันประเสริฐของเราทั้งหลายอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาภาวนาเบาๆทุกเช้าคำ่ำป้องกันใจให้ว่างจากเวรกรรมทั้งสามคำจำไว้ให้ดีเออยเนี่ยคุณโยมภาวนากันมั่งหรือเปล่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคนโบราณของเรานี่ ในขณะที่ทำงานอยู่ไม่กวาดหลุดมืออันนี้จังเห็นไหมหรือบางทีนอนอยู่ในบ้านเนี่ยผลไม้หล่นบนหลังคาบ้านต๊บอันนี้จังเนี่ยโถอันนี้จังนี่คือคนโบราณเขาไม่เคยทิ้งอนนี้จังเลยแล้วคนโบราณ น, นี่ตมาจําได้นี่นะเวลาจะไปกราบไปไหว้ปู่ย่าตายายนี่ปู่ย่าตายายเขาบอกว่าไงไม่โยมเวลาตมาไปกราบไปไหว้นี่ยไหว้พระนะลูก กลาบพระนะลูกนะจะพูดอย่างนี้เนะี่ยคือไม่ได้สําคัญตัวเองว่ามีความสําคัญนะขอให้ลําลึกนึกถึงพระนะลูกความหมายเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้ไม่เห็นจะมีพูดอย่างนั้นกันเลยบางทีมาหานี่เจริญพรโยมยังไม่รู้จะพูดไงกับพระก็พูดตอบพระว่าเจริญพรท่านแน่มันไปกันใหญ่ เ, เนี่ยมันหนักหนาสากันมาก ไม่รู้จะพูดยังไงโยมฉะนั้นญาติโยมวัดเราต้องพัฒนานะที่พัฒนาก็คือพัฒนาทำกรรมดีกันไว้ทำบ่อยๆกัลยาณนกกาลีก็แปลว่าทำดีบ่อยๆไม่จะทำครั้งเดียวหรือสองครั้งก็หยุดไปอย่างนั้นเพราะว่าการทำดีทำให้เราได้ดีดีตั้งไหนดีตั้งแต่เนื้อใจมันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีแล้วก็ได้ไม่ดีเหมือนกัน ได้ไม่ดีตรงไหนเนื้อใจเขาเราจะแย่ลงเมื่อวานซื้อเนโยมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจโยมผู้หญิงซึ่งได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่มากมายเลยคุณโยมคุณโยมได้ยินไหมพัดพงอ่ะแถวแถวสีลมนะมีตลาดพัดพงคุณโยมพวกนี้อายุแค่ประมาณสี่สิบสอง เรียกกันว่าเป็นทายาทตระกูลพัดพงได้รับมรดกจากคุณพ่อมากมายจูจูเกิดนอนไม่หลับหลายคืนก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราชหมอก็ทำหน้าที่ตรวจทั้งตัวเข้าเครื่องอะไรก็ไม่ทราบ MRI เลยเขาว่านะ น, นะปรากฏว่าพบมะเร็งระยะสองที่เต้านมทั้งสองข้าง กลับมาบ้างก็โทรศัพท์ร้องห้าใหญ่อาตอมาก็ดึกว่าเอ๊ะอะไรมันเรื่องอะไรนี่โยมก็เลยให้ตั้งสติดีๆเกย์ก็บอกว่าเกย์ยังไงมีอ๋อโยมเนี่เป็นเรื่องใหญ่อยู่จนโตไปได้อาตอมาเจอโยมสามสี่คนเป็นระยะสามยังร้องเพลงอยู่เลยโยมเป็นแค่ระยะสองตีโพยตีพายโยมคิดเสม่ว่ามะเร็งเนี่ยมันจะมาเป็นเพื่อนกับโยม มันคงจะสงสารโยมโยมอยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายตอนนี้มะเร็งเขาสมัครมาเป็นเพื่อนก็มองว่าเขาเป็นเพื่อนเรานะพอจิตมันคิดไปทนองนี้เนี่ยจิตมันเป็นกุศลเลยแหละแต่ว่าคิดจะไปเนี่ยฆ่ามันให้ตายไปผ่าตัดทิ้งไปเอาคมีโอมอะไรต่างๆนี้นั่นน่ะมันไม่ดีโยมคิดจะไปฆ่าเขาอันโยมลงคิดใหม่นะ เมื่อคือนนี่ก็โทรศัพท์มาบอกว่าเออท่านเจคุณโยมรู้สึกดีใจขึ้นจริงๆว่าเออเรามีมะเร็งเป็นเพื่อนพวกเมื่อก่อนนี้โดดเดียวเดียวดายโยมเท่านี้ยังไม่พอนะโยมจะไปเที่ยวไหนพวกน่ะตอนนี้จะไปญี่ปุ่นอีกไม่กี่วันนะโยมต้องวีซ่าให้มะเร็งไปด้วยไปที่ไหนก็มาไปนอนด้วยและโยมต้องไปเช่าหรือว่าไปพักโรงแรมดีๆนะห้าดาวเลยนะโยมนะ แล้วพอลงรถเนี่ยจะเข้าประตูโรงแรมก็บอกกันหน่อยบอกว่าแหมมาคราวนี้เนี่ยเอา่าเรียกกันว่าพักโรงแรมห้าดาวนะตามปกติฉันพักแค่สามดาวแต่มาคราวนี้ให้ห้าดาวเพิ่มเกทั้งสองนี่แหละนี่พูดกับมันดีๆทุกวันไปมันไม่หายมันรู้ไปโยมแล้วในที่สุดมันก็จะหายหลวงพ่อวิชัยเนี่ยวัดถ้ำผาจมท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย หมอให้ท่านไปผ่าตัดและไปให้ครีมโมท่านไม่ยอมไปท่านรักษามะเร็งด้วยใจของท่านในตอนนี้นะฮะท่านดีวันดีคืนมาแปดปีแล้วเพราะท่านคิดอย่างที่อาจมาได้เล่าให้ฟังนี่แหละเมื่อสองสมวันนีรท่านมาบรรยายที่บริษัทเคพ g อมจีท่านก็เล่าให้ฟังว่าหมอไปตรวจครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ว่ามะเร็งมันหายไปไหนก็ไม่รู้ว่างั้นนะเออหลวงพ่อไปไหนก็ไปแต่อย่ามาให้ผมก็แล้วกันไปที่อื่นก็เลยบอกท่านอย่างนั้นแกบอกว่าแกรักษาใจของแกทําจิตใจให้เป็นสมาธิแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับมะเร็งนั้นญาติโยมจะต้องจําไว้ว่าดีและไม่ดีมันเริ่มต้นที่ใจของเรารักษาจิตใจของเราเอาไว้ให้ดี เห็นอะไรฟังเราคิดถึงอะไรคิดด้วยใจที่ดีๆเข้าไว้ทําอย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขดังที่เอตมาภาพได้ยกอุเทศคาถาในตอนต้นว่ากัลยาณนการีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกาซึ่งแปลว่าทําดีได้ดีคิดดีได้ดีพูดดีได้ดีตรงกันข้ามจะทาไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีก็ได้ไม่ดีเหมือนกัน เมื่อทุกท่านได้ทราบเช่นนี้แล้วขอให้กําหนดจดจํานําไปประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพระธรรมเทศนาว่าในเรื่องการทําดีและการทําชั่วที่ที่แจงแสดงมานี้ในท้ายที่สุดขออนุภาพเป็นคุณประสีรัตนไตรยัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ จงได้พิบาลประทานพอในญาติโยมทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์จงประสบเจตความสุขประสงค์สิ่งใดไม่เหลือวิสัยสามารถขอยความประสงค์นั้นๆจงทันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารดังได้ชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลา จึงขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้